สี่หลอดยี่สิมหอน่วยผลิตจ้าวอุตสาหกรรยี่เิาหลดี มันเป็นมนุษย์ที่โเป็นมนสัตว์สิร่าโกนะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิรีมีโสดมีลาเป็นเพี้ยนประวังส์แมนุษย์เข้าเป็นสิรตั้งนะคุณงานทำดีคิดแส่แต่ตางกำปั้นพวไปสามห้าสีสังสมองยองคุณงานทำดี บุคคลคนใดบุคคลเทวดาบุคืลกัรมารกบคือตเดสาลใจนมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าอะไรนั้อนัจะเป็นมนุษย์กจะเกิดแต่งฝ่าเทวดาเป็นเอ็นชุพร่องาเกิดเป็นมนุษย์ท่ั้นวันสามน่ท่าบุญทํานเ่งงามความดีเด็กก็เกิดในสถานที่ดีค้อนจิมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะว่าเป็นหลาเปันไปเสื ทั้งหลายอยู่ในแผ่นดินอันนี้มันหนักหนาจนงินบวถวนกจิมาเกียบมนุษย์เท่าไปกับศัพท์ิอคือีองตัดก์บฏดใหลายมเกียบคนในประเเท่าทั้งประเทิทอหวกนึงไม่พ้หนึ่งกับบวฏแตกคนผูกหนึ่งมันต้องหนกกว่ามนุษย์นประเยศให้ หนึ่งคนหนึ่ก็หลายนับบ่ได้ศัพท์ทางหลายมันเกิดง่ายส่งท่าที่จะไปเกิดเป็นสัพท์มันหลายเกิดที่อื่นมันหลาวการมันเกิดเป็นมนุษย์มันเพื่อมันเกิดได้จะมาเป็นหยุ่นเป็นขู่ผมเป็นโสกเป็นล่าเกิดง่ายเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดง่ายม่นคือเกิดเป็นสัพท์ การเกิดทองนึงทองนึงแตละสีบางที่เลยทองพันแลยลอยอย่างกบอย่างอื่นตูตามันใครแต่ละเทียนมันออกอยูละเทียงนับบ่ได้มเท่าออกใดยาวมากเลยทองีนึงเลยเนี่ยคูนึงสองคนยางมากสามนหายงที่ออกกแสบถึงสามขนสามยุนใหญ หายเลยตาเป็นเลีอดก็เ่มลกนันเกิดหาหย่งสมัยนี้่งเกิดยากหลายมุขสมัยก่อนเขาก็ท่าาเหมือนกันเขายาวขึ้นก็เหมือกันเกิดบดได้ัปาถนาเขาห่างเลยเกิดบดได้แต่ที่ตำแหน่มันเ็ย่งนีหลายแบบมนุษย์มือนว่าเป็นโศกเป็นหนาบีมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย เอาวัดข้างจิ้มภาวนาเห็น้างก็ได้ยกขึ้นัดทั่วไปนึ่งโสกราคของมนุษย์จิ่เกิดมาแล้วต่างหนามทาดุลทําึุนงางความดีแต่ค้นจิตวิภมิที่แย่หน้าแสดงหาความดีกรเที่ยงไปเศษของมนุษย์เดินของมนุษย์กากของมนุษย์ เกิดมาแล้วว่าสั่งคชื่องความดีอันใดถือว่าเกิดมาแล้วเชื่องใจเจริญใจเพื่อนใจกินจะนอนใจมันก็บุพเพแตกแตกต่างกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์มันก็บ่กเลยให้ท่างรักษาขินไหวพาเสื่อมมุ่นเนี่ยตาภาวนานใดให้ใจปากให้ท่องแล้วพอนั่งินใจเอียงอยู่อันนี้ว่ามันคล้ายจะดีบันนี้ ต็ซื้อเรื่องสียสั่งนั่งทำบุญนี่คือเรื่องของสัตว์คนคือพอผู้ปฏิบัติตัวท่านนั่นมันจะเป็นสัตว์โดยในคิดในใจของมันคือว่ามีการเหลื่อมใส่ว่ามีการคิดว่าสื่อสั่งทุ่งนั่งข้อมดีตายตานมันก็บุญกุศลสื่อสั่งไหวถึงได้มาเป็นมนุษย์มันหมดแล้วมันจะสื่อไปใ่ะรือการสัางหมดแล้ว กินน็อเล่ามันก็จนจนมันก็โซ่ไปทุกแต่มันน็คนจนมันกินน็อกเพาะบ่สะผมบ่เฮ็ดบ่ทแล้วก็บ่สั่าความจนมันจังเกิดขึ้นก็แข็งสั่งเฮ็ดข็ท่ำความจนมันกับบ่เกิดขึ้นความจนของพวของาแต่ทั้งนองเดียวกันมัน สิ่งลงไปซือสิ่งทำมันก็อาศัยวะเอาวะสั่งวะทาชุ่มนำความดีวัด่เข่าก็้ใจวะยกมันวะยกจะครบด่าดำงเสื่อมเงินชงัทวานั่นวัดจิตฮะชุ่มนำความดีอันใดเกิดมากะเพียงใจจริเด่นใจรับใจนอนใจยังนั่นคนะมีนันมันมนุษย์พิสาโนว่าไม่มนุษย์โสวมนุษย์ มนุษย์มันมีหลายจำพวกมนุษย์เกษตรโตมันกับมืมนุษย์เป็ดหลังกายหนาตาจีตสันวันหนาเป็นมนุษย์ใจใจมันเป็นเป็ดฮะหลอกฮะร้อนนะหลักฮะเขโม้ยจิตใจโดนมีความเนดีไงอาจในถ้ำมันก็เห็นท่านลักล้างีินภาวนา นี่กัะเหเดียดเบียนคนอื่นย่าดเหงากลัวไปสื่านที่ได้ยังมีใครไหเหนื่ยเสียใจรักหน่อยเขาน้อยงหมือนเชื่อมนุษย์ะเตโตมนุษย์เปตมนุย์สัจิตวิญาโม้บื่มากนี่ตังเจหาลยากหาคินเท่านั้นไ่มีวันสื่อสารไม่มีวันสื่อสารจนิ่มีวันสื่ ลายพาเศมนุ่มเนี่ยตาภาวนาฟังธรรมะทโนอียังเ็นมวมนุษย์ตัดเดชโน่คือเป็ น, นสัตว์ทางหูบหลังจะเป็นมนุษย์แต่คิดใจมันตามฝ่าละโมกมันเป็นสัตว์มนุษย์โศคือมนุษย์ที่มีคุณธรรมประจำตัวอยู่จักจักว่าจักละจักเจ้าหรื่จักชินจักทั้ รักษาพุทธจิตกายบวชธรรมตัววาจาบวบุตรตัวจิตใจบ่ชคิดตัวหนึ่งเป็นคุนนัดทั้งความมนุษย์มันันเกิดง่ายเกิดเป็นมนุษย์แอ่มีคุนสมบักของมนุษย์จะเป็นมนุษย์สีส้มดูนได้มนุษย์ถือว่าสีสมดูนเป็นมนุษย์เตโตมนุษย์พัฒนาช้าโน่พวกนี้เกิดง่ายเหลมันก็ว่า มีอยู่แล้วดีเอียงดูหโกโลกมาเสารนักเพลินมีใจจินใจฉี่ใจเดืยดเดียดคนอื่นมาพุทธเจ้าคนฉิมัดเนะสอนยางใบตัวเราอยู่ว่าได้นิ่งได้ฟังว่ได้หูได้เห็นเอียง่ะเพราะคิดใจในความคือภาชนะความเหมาะความพัความโอ้ตรงนั้นตลอด มหาชนมันก็กไม่อนได้เปิดไปขังห้เพราะมันกวงไว้มนุษย์ั้งสองชื่อมนุษย์ตะเกตัวมนุษย์ระตืนโง่กระทำนเดียวกันเป็นคิตใจขวางจากกุญแความดีบ่ได้คิดตี่สั่งกุญแจความดีอันใดบ่ได้งายเอาไว้ถวรับธรรมะธรรมโง่เด็กันเกิดหน้าหลับกบอกในสาราประโยชน์ให้ ขาดทุ่มสูญกำไลมันจะไห้ที่มีพี่แหน้าเฮาพบปั้บปูงเฮาได้มันมุดเสือเป็นมนุษย์ถือแต่เสเป็นมนุษย์ทีอดีมีเ้นฐานมีเส้กำลังนวอัิดแจำเสือของเรามนุษย์โสมนุษย์เสือนี่ตายแล้วขันว่ได้ไปเป็นเทวดาเทียมยุทธคือดิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์ที่สมบูร เดี๋วคนมาทมันมันเกิดง่ายเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดหนกลาบากลำข้ามเนี่เทากัมีสุลาอันอยู่ง่ายล้จไหนมนเกิดเป็นมนุษย์จหนมเกิดเป็นมนุษย์่อย่าให้น้ำพิษล้งรักษามนุษยเอนดัดเอาไว้ตั้งใจทำคุณงามความดีอย่าให้ขาดทุนซ้นกันไรอย่าให้ตายไปเปล่าอหนี้คุณงามความดี แน่เหนียวแนตัวมนตายไฟชิม่าซ้อมอย่ที่ห้างส่างไหว้มันบลไหลบล็อไปไซมัน่คือไรจิได้รับไปเม่หรอกความเฮาเขามาเกิดชืชื่อกันก็หนาวใหม่นั่นเกิดถึงะมันเกิดชิม่ามันเกลียหอมึเจ็บเอาไหว้เผือกพันเขาหนึ่งตกลงไปไส่ดินใส่หน้ามันจะเกิดชิม่าอีกเผือกเาหน่งจาใหม่นัน บอกงอไ่เกิดเป็นงอเหมือนหนีถอจะเป็นลมหนีบือย่างนั่นนันมาเกี่ยนแฉงได้ตอ่มีเ้าขอมันเกยนไปเพราะต่ำนันเกี่ยนแฉงได้้องฟังเคล่อไหวนั่นจะเกี่ยนแฉงตกศาสไ้เกิดขึ้นหนีเป็นแห่งเป็นมือเป็นหาเป็นตาเป็นกมันจะเกิดได้เพาอำนาจองกรรมคือสั่งได้ัวี่าลามกกรรมคื่บ่ดีถีเ้าท้าเอาไหวมันจะไ้เกิดในแต่านคีอบ่เหมาะบ่สม เกิดอยู่คูกันแต่มันเกิดในสถานสีดามติว่างมันก็เกิดในพวกยางนั่นมันก็บริว่าเรล่างดีมากจังสินภาวนาเมื่อไหร่ฟา่วนนุ่มเนาะมันเพิ่มกูชวอยางหม่นไหมอภัพทัสทัสทิอาภัพคือพระรามาชิทำกุ้งนัควาอมดีให้กลาหนาไปได้เปมนุษย์ผลที่ว่าพระปชัดที่สัี่ข้นติดพืชเป็นบัด เกิดมากเกิดนได้เอาคุ้นีทีแกเนี่ยกวนสายสมสวงามความดีเอาไว้เปสิ่งที่เป็นมนุษย์โสมนุษย์ที่ดีมีคุณทรขประจําตัวมนุษเ่โวเป็นมนุษย์ที่นี่ทําของพววดามีหิริปวดตับปะไม่ย่างบาปกลัวบาป บ่อกาดถ้ในสถานที่ถั่วไปถึงคือว่าบาปยางหลายกลัวหลายที่กันก็ยางใสกลัวลสเน่้ยเงียแน่อแน่นนยเด่นม่ใสเขาก็ปั๊ออกนั่นใหม่นั่นเขาบ่ยิ่ดีบ่อยากจับอยากตบนันใหม่นั้นวันไดนเราไม่เจิดบนหันไสมีบาปกันเชื่อสาลามกต่างๆควนจะอกาดถ้ำ ถึงเชื่อว่าการสัวเป็นเชว่าผู้ที่มีเชื่อว่าทั้งใาตมนุษย์ชื่อวีคมอายบาปเอตตะเากลัวบาปคนผู้หน่งท่เามีทขาวเป็นเชื่อว่าทัเป็นเชื่อว่าดาทั้งนั้นทีร่างกายหนาตาเป็นมนุษย์อยู่ไปสังขานคือใดขู่กล่อมเบียดใสไปสัานคือใดมันมีพอิจฉาเดียดเบียน ไปแต่ทางคือใด้เขาไหวเหนียวเสียวใจแล้วความชุดกระดิตบ่ทำบ่ปูดบ่คิดทั้ท ง, ทงเฉียวทังเสียเรียกว่าเป็นเทวดาม น, นุษเทวดามนุษย์เทวโวมันเล่าหนิดร่างกายคู่กันก็ปวกเข้าเนี่ยบ่พิแตกแตกต่างเนี่ยมันมีเขามีหางเป็นมนุษย์คู่กันแต่คิดใจมันพิดแตกแตกต่างกันกันแต่ถ้ามันพิดแตกแตกต่ตางกัน เนี่ยนสี่ปั๊บคุณเป็นตัวพ้องเฮาเป็นมนุษย์สัตโซสี่ปั๊บคุงไปได้สิ่ปั๊บคุณจะเป็นมนุษย์สัตวินดาชนุสี่ั๊บคุณไปได้สี่ขาตัวจะเป็นมนุษย์โซก็ท้ามได้ข้ามตัวจะเป็นมนุษย์เเทิลโลก็ท้าได้สี่ข้ามตัวห้เป็นมนุษย์อริโยกอเป็นผาเรยเจ้าก็ข้ามได้บล็อคลือกขวางสร้านา้องเฮ้า ห้องต้องการหป่าถนาจะป่าถนาคือบ่ทําตามอันบ่ได้ตามหป่าถนาข้องตัวได้เีป่าถนาอยากกินเข่าอยมันอิ่มมันโลอิ่มแต่ไ่ลงือกินขันยากวห้ลงเื้อกินอยากว่ะลงเนื้อท่ำขันถ้าลงเท่เนื้อกินยความอิ่มมันก็อิ่มได้งานทห้องต่องการมันจะทำเลดได้พอการจะทำท่องห้อง พูดใจเจาคนสอนมีเหตุมีผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเข้าสืเกิดมาวันชื่อเดือนสี่สี่พนไปเนสามคุณงา่งสดีกว่ายังไหนแม่แล้วครังหนาคร้งเขานั่สิอย่างยืนเท้าว่างขนาดไดเข้ากับขาดบดไดเราเวลามีส่งไม้หน่ายประกัน่าคนนั้นสิมีอายุยืนคนอืนสิมีอายุสั่นถึงวันชื่เวลาตายมันตายใจเดียวกันบว่า คยวัดหมอย่บ้านกันตายไปหรออันใดล่ะเป็นเครื่องสิสิ่ตามตัวไปเป็นโน่ตามตัวอะไร้อกากเคยื่องเสือกจะหน้าว่ากันหน้าหน่จีนให้มีกรรมเป็นพร่องเป็นมีกรรมเป็นสืบพรมมีกรรมเป็นแรงสืดมีกรรมเป็นสุบที่ตามกรรมคือการกระท่าท่างกายการสูดหรือว่าจ่าการคิดโดยใจกายกรรม วาจีกรรมโมโนกรรมกรรมโนรยูไม่ยินฝสาะอกาย่งก si ับสังขายจิตใจทั้งห้อเอาศิรษะเมายางเหลี่ยทั้งห้องเหมาท่านเไหวความชืหนึ่งจะิตามใจจะหท่านดีไหวความดีจะคิต่างโสขเหาไปมีกรรมเป็นท้องข้องสนมีกรรมเป็นเหตุผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมดีจะคิทภาพเหด้เกิดดีให้ผลดีมีความสุข มีอายุยืดโลกไข้ก็เบียดเบียนวงทึงอยากล่ำบากอนาชาเกิดส้นบาดเสคล้องนินท้องตางๆนี่จะบากทุกนาบุล่ำบ่าบุกอาาาถ้าห้องนีกรรมดีแต่นับเป็นวินัยคิดอันใดทาอันใดก็เป็นไปเกว่างทุกขัคเจอเริ่อได้หาตางสมวงตากชนาท้องตนนี่คือกรรมดีสื่บุกข้อนางไว ทากรรมเสี่ยวไว้มันจะว่าได้ตามตากนาใดอันใดมากก็เป็นผิดเป็นผ้าใดนั้นมากกับให้ทุกใจแข็งตัวอย่เชื่อกำเสี้วมันจะให้รีบเย็นละทอนบางอย่างยินดีเสียกำเสี้ยวเพราะมันเป็นผิหรือมันสีง่ายสีสบายนั่นสิทำสะดวก ของก็คิดก็ใจของก็กล้องกล้องการเพื่องเัวือยแก่ขนเสือมันก็ะหายขยังเนี่หายเสือแก้จนเนี่ยกล้อนี่กรรมเป็นท้อง้องตนนี่กรรมเป็นผีหายขนนี่กรรมเป็นแรงเกิดที่เจหน้าหายถึงคิดเชื่อเหรอห้ากบก้าทำกวงสือสาล่ามกต่างๆก็กรรมเสร็จแล้วทาได้ แ้่แส่สมแก่สนมึคนอื่นถึงมารับส่วงเอาไปหาเขาิดได้ซ้อนไปเขายงนั่นเข้าใส่ใจยางนั่นเขาแต่ละง่ายง่ายควงเสือถึเขาสิท่้งสิผุดสิชิดเพราะความเสือมันเป็นสนสะท้อนย่อนกลัดนะฮะเสือเป็นงตามเสืไปาบวตาดชนะควงเสือมบัวสั่งควงเสือบัวท่านควงเสัวท่านแต่จะควงดี ต้องดีจะมีหลายกหลายอย่างสท่านได้อยาถึงจะไดถนัดนงได้มดไดดินที่เป็นกาวไหวน้อยนน้อยน้นันคือเกิดขึ้นนทียากวัดถือคิดนก่าท่าไม่ดินตเร็ดโวยการหายท่านการหท่านเป็นวนเป็นกุศลจะมุขเหทุ่างู้ญธ์หายไป หายดเด็กแต่งงานดีบางคนหายังง้อจิ้ห้ด้วยการท่งงควงหายด้วยการดู้าหายด้วยการท่งควอเพื่อหแก้ซึทุกเน่ปากน้องอดอยากยากจนเข้หาเข้าไปแล้วเดใส่ดียเดยยืด้ดยวิ้เขาก็มีควงทุกควสบายหายไแท้ไปเขาก็ดเด็กน่มเด็าวตาตัวเขาก็ยาวเี๋ิ ก็นเงถึงเลาอดจนลํางบ่าอยากแขวนจริงๆในสั่งได้กิน่ลยเลาให้หูรู้สึกว่านั่สบายโทุกบ่ลํางบ่าเพรควัหูเล่านาว่ากมัมีผ่านแค่มีอมงคันได้มือหงมือก็สมาป็นชุกมี่ล้องชุกข้าท่านจะเขายางไห เขาเด็กควงพุกยงไงคงุกหนึ่งก็จะถอนดอนกลับมาห้เาด้วยท่หเขาปแต่ว่า้างมเป็นบุญเป็นกุศลแกมุขคนคู่หายหาแก้ผัวใบหาแก้พวกใบเรื่องนั้นเขาก็ไม่ลืมบุญคุณของเขาไปสะทานที่ใดเขาก็เขาหลบยลีกสเหนึ่คนมีจินมี้ให้ก็เย็นไปเยยนเขาก็ยิ่งดีหาเขาเขาก็่รับตรงปอดตรงหาจากเขา หายใจ้คืออดอยากยากจนหายใจควนทีไมอดอยากยากจนแต่คนทีเป็นผู้ทีมีคุณธรรมควนมือชาท่นอยากว่าหายจาการู้ชาคือมูชาคุนของผู้คนนี่มืมีคุณเส็นพ่อเป็นแม่ผู้เฒ่าผู้แกหรือผู้มีอามีทำให้หายทนใส่ทนทนผู้ทนไ่อยากได้ทน คนอื่นมีเรวให้ดูการดูชาติขึ้นเดี๋ยววัด ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท่านา ท, าท่ทานแต่นีหล้ายขันร้ายตอนนีนท่านท่านคล้องสีตั้ม่าล่าโกท่านค้องิีเหล่าโนาท่านสีความงูีเฮ้าโมตองการให้ ท, าออห ท, า ท, ทา่านคน อ, อนื่นภาวนะท่านคพื่อท่านตัมไลผลับโผลตั้มตา้มปล่อ่อยี่นใจหน่อยผล เราหน้าตัวเป็นคนขี่น้าปากธนาข้งตนขอรท่านของขีดตัวแบบถนาจะหายคนอื่นไปคนเห็นว่ีหน้าท่านมาทมาท่านคือท่านเสนอสี่จนใส่จนนิ่งจนเห็นจนูนกลิ่นจะหายท่านคนอื่นเพราท่านเสนอกันกับสีเราใส่เราใส่จะนี่งแท่านอาประมาท่านท่านของอืดน ท่านของปอยเสดว่าขีเป็นใส่เป็นซอยเป็นมีเป็นหินเวลาอุตมะท่านมีผนเลิศฝนปอยเสดฝนมิเศษยกตัวยางขีคนหาท่านยางนั่นยางนั่นอุมาท่านสี่เราเป็นคนทุิ่งหน้าลำบากอาช้าไปหารับจ้างสามปีได้ขายห่อดอกข้นมมา อยตขอสามสีเพื่อจังไห้ข่าผืนหนึ่งน้คือเลาเป็นคนทุกคนจนในสมัยนั้นเขามีการมีเงนินตะเกนเขายืมเงนินมีทองคู่นึ่งข า, า, างำนลอกข้างคือที่เป็นข่าสินมีคุณค่าเป็ น, นข่าสินคนทั้งหลายคือสินี่สนั บ, บเขายืมดีใส่กันในสมัยนั้นเราเห็นเขาเอยากันได้ แตขอข้อข้อแม้ถามึงขอข้อขไปสื่กลนมี่ยังแล้วเห็นมมี่ให้จ้ง่ายอยาไรใจสิริสิคาดแม่จะเลยแมนั่ง็จะได้อยู่ไปอยู่นัเศีแต่เป็นคนใส่เขาอยูไปนั่นเขาเขาเห็นความดีเขาห้าเขาจะหาเราเห็นเลยล่าแม่ไปอยู่นั่งเศีเันสามปีแต่ผานนะายางดอกขั้นอย่งนี้ม่ให้ใส นลา altung, ่าเสร็จสิก็มาบ้านก็ดีพระเดินไปในเวทในป่าในหลงมาอาบนางจนแก้ well ้าไว้จน้มาเห็นผาลักเอาไปได้บุญอีกผาหนึ่งเขาเอาขโมยเอาไปบดผาที่กวางไว้ถ้าองค์หนึเลยบุญท่างท่านพ่อในญ่เชิวมาทำบุญผาอีนึงมีผาคาราชจะได้ เอาไว้หม่ม mm. mm. ืตัวปกป้องเอาไว้ละขีนาร่างเกียนติาอายได้มีอเพิ่งจเอาไว้ใหม่กระดับเนี้ยแค่หลังมือน้เห็นผ่าพนมีนั่งขั้วหนีไปเห็นเลยจ้องสายคิดแล้วพระนี่บ้วนี่ผ่านี่แท่นมีใจใหญ่ให้เลย ทุกอย่าลำดักอนาคตจะงจบ่เคยหายท่าท่งบุญท่งกุศลมาก่อนตันมีจังทุกหน้าผ่าแค่สิม่งสิหงสื่อชวนน้อเขาก็บ่ได้บัดล่าที่หายผ่าเพิ่นเป็นท่าก็หน้าผาแร้วิ่อยู่ก็มือเรายังเหน่ได้สืบผ่านหาท่าหายท่าเพิ่นแล้หท่าเดดผ่าต้องเสียงนึ่งีเป็นผ่าสิมือไม่ผ่า เส้น่าแคบถ่าแหงนหรือข้ามอ่างเส้นที่เป็นผ่าแบบถ่าง่ามจะเกาจะกอนหือถอยนูนก่อนหนึ่งเป็นหูขื่อไข่เห็นคนนึงคนหนึ่งใงามหูง่ามสาแล้วเกิดท่าท่าท่านอีกหนึ่งง่ามอุ้หน้าทันตีเราเหมือนว่าท่าเราล้วกตาไินะถึงเจอแววกล้องตู้หยักล่ำบาร์อาหน้าขาใช่อดความจน ม่ว่าพบได้ขาดไดหาย่งเยี่ยนไายตายเกิดย่งมันถึงพน้นเมื่อได้ยืสไปพบพบเห็นคล้อยนี่ความุ้ง่องสบายเกิดในโซได้ขาดได้คล้อยหลังกายวยหลงกายงายแจจาโลกให้ใครเจ็บจเาะผิวฝาผู้ได้เห็นเขาก็รอเฮหลงไหลไปฝันอ่าเป็นผู้ใต้อยากได้ตาถนะ อยู่ตอนนี้ง่าสีส่เลาก็เท่ากับตายอย่าไปเกิดั่งาเพราะอำนาจี่เราท่านผ่าให้แกริสุขั้นงดบุนจากสังซ่าจากเทวดามาเกิดไปง่าอุณหท่านสีเกิดไม่ะคูนทองเศษสีหูุมล่งง่หลายมันธรรมดาคุณท้าเห็นเลยลับตายวได้หลงไหลชอบง่ายชงบง่าง่ายิด ขนท่าระดบพอหุ่นง่ายมากเป็นแตะเป็นสาวกเลยไปกลาบทุ่งพรเจาะเพนดินเพื่อ่วยให้่ารักอบอุ็นอาคาเมย์สีเป็นล่าที่นี่เจาะเพนดินอยู่เล่ยแจ้งผ้ามน้าแล้วเ็าฮะเข่าห้าปามไม่อยากให้กินพอาผ้ามาเห็นมันเคล่้มมันหลงไหลเพราะหลุดหลงเรางนี่ย กินเข่าแ่นที่เอาเข่าปากเอาขึงไปขงหัววนี่เอาหน้าแขงที่หันี้ก็นน่มันหลงมันเขมมันสันใสเพราะามง่ายก็เลยขับไล่ล้วเลยดาวาเรเครียดไม่ไปทึ่มทะเาว่านาทะเลที่นี่เราค่อยเิ่มะเลสาเลยเริ่มมาหลับออกไปต่อมามหาอมัดมาเห็นเขาเรเลยเอาไปนี่คามง่ายอนยิสงสงของ การหตุท่านคงดีดนรูปดีนี่ข้นตากนะนี่ข้นอยากได้ถ้าเห็นกับใครสนใคเห็นจะพอใจยิ่ดีพอเราหดท่าแขงดีเลยเลยอันนี้สมขงนียังน่ะพูิงหายท่านค้งบอดีนี่ก็ะด้นแงบดีเป็นเฉินสอบแทนท่านทงเลิศเดี๋ย้นเลิศท่าแข้งเปิดเผยกรด็นเปิดเผยเลนว่าเป็นกาวว่ายางนั่นอันนี้สมของการหตุท่า เป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคคลผี้เยี่ยนไหวตายเกิดเกิดพบได้ขาิได้การนี้ว่ทุกกายทุกใจบอดบวชนพอผลของการเหต่ท่าผีท่าไหวศีลละไม่คือการรักษาศีลรักษากายรักษาวาจาบวชท่ามือศีลลายมกตกกระโปงนี่เป็นการวางท่าแห่อายุนื่เป็นบุญเป็นกุศลบวเป็นคนผี่ยี้ พยานโลคค่าเบียดเบียนคุณผท่านได้รักษาได้ตายไปเกิดโชคได้ชาติได้ก็นี่อายุยืมนี่าังในั่งเขาบกขาเขาบอเบียดเบียนเขาเทากับนีความสุขเวลาเขาบอขโมยเขาากสมบัติเท่าเกิดนี่ขึ้นเขาก็บอไม่รักเม่ขโยเงอกเก่งใจ หนึ่งชื่ออำนาจของชีนตายไปแต่หนึชุทคติทว่าทีเรี้นพุทธิงยันติคนทีรักษาชีนบริสุทุทธพวคหนตายไปเด็กไปเกิดพุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์พุคติคือบวอยากจากจนโมเป็นคนอยเสียเสือเจริญไมนไปเกิดเป็นเทวุเทวดา ที่เรนะกเขาทำปะทะโดยที่รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์คนหนึ่งก็เกิดนี่พวกคาทร์เราเพิ่นรักษาศีลน่ะพวกคาทรเกิดขึ้นจากเพิ่นเพื่อกันก็คุยบายเอาการถังที่มีศีบริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงแม้ท่นว่เลยสะสมแต่แ้งหาเยอะหนักศูลเพิ่นก็เลย สุดเดชาเดลองเคอวนจะยิ้มยิ้มอันนั้นอันนี้แมหาม่เทวาย้นี <du <du ่คืออันสมของศีลช่วยนะพวกสมบัตาแช่นจิตวิอัดอยากอยากจนโมเป็นยางนั่นสมบัตเข่าแของไหลนะพออานาจศีนของพลนี่เดี๋ยวควนทั้งหลายในทานเจ้าคือศีลมิศีลอย่างนั่นจะยิ้มยิ้มเต็มใจแต่อันสมหลายข่วง ยิ่งดีไม่คิดไม่ใจนั่นหลายรับคนรับอันไหนเข้าคนรับอันนี้เหรอเข้าเขาก็ยิ่งดีเอิยิ่งไม่คิดไม่ใจในการที่เข้าไห้เขาถวายคนที่เรือนีู้ึงยันติผู้จรักษาสี้นบริสุธิบริลุนได้เจริญธมถาวิปัสสนาใจกัได้บรรลุเป็นพระผู้จิบริสุธ์เป็นอริญาบุคคลเพร การกระท่ำของคนท่ำไปเพื่อฟ <c oughs> ังบริสุทธิ์ศีนยังเป็นเรื่องสำคัญควรได้รักษาได้อานิสงส์กบมนีหน้าหน้าย่างเสียที่า ย, าาายาหน้าคนลระศีลไม่ภาวนาไม่้ดืรดร้อนเล็จเดกอารนภาวนาคือการเอื้อมยใจทุงตนหจจ่างไกลจาก ความเสื่อมความเสียต่างๆพยายางทำจิตทงใจให้อยู่ในคุณธรรมไ่ให้ฝืนใหป้ให้ิทธินึ่ไปในทั้งส่ทางเสียรักษาเอาไว้ให้ใจสงบให้ใจหยัดเย็นไหใจมีความสุขโบวิ่งโบเต็นบแลนตามสัญญาอารมณ์มันว่าอาว้าหที่สั่งใจท้ตัว ให้สงบเป็นสมถะสงบแล้วพิจารณาถาพิจารณาขันพิจารณาอัจิเรนาข้ามอันใดก็คล่องแค่ลเข้าใจละถอนพิเรี่ยั่วซาต่างๆหน้าหน้าเห็นตกไปถือว่าวิปัสสนาคือความเห็นแก่งไม่คิดคองใจนี่อันนี้สงหลายจนสามารถกลายจากผู้ทุกชเป็นอริยเจ้าได้ มีอานิสงส์หรือบุญเกิดจากภาวนาอภิญญาไม่บุญเกิดขึ้นจากการขวขวยเสวยเลียคนอื่นเป็นท่าบุญเปนทางมีการงานมันนีเอาเ่วยเลีเพลนหลังเพลินงสร้างรักนางัก้าได้หยาูบนนังบนนทุกอย่างเลยล่ะ เฉยเลรืองเอาเยเลียเพื่ออันอื่นเฉยเลือเพื่อเอาบุญเนก็ว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้ตามงทานหน้าไม่เป็นท่านมดีแต่เอาง้อท่านหนาเพนบอิจฉาเหยียดเียนปฏิทนาไม่บุญสเร็ยเดียวการอุทิศบุญกุศลถืนท่าแล้วให้แกบุกคว่คู่อื่นแก้ัดอื่นนี่ก็เป็นท่างบุญท่างกุศลนว่า เทศซนาไม่อหูอ่อาหู่้ำอันใดแสดงให้แจ้งคอนอื่นเขาหูเขาเลัวใจนไหนก็เพื่อนวะเป็นบุญเป็นกุศลเดียวว่าเทศซนาไม่ท่าเทศซนาไม่เป็นการแสดงให้การฟังถ้ำเหยียบตามมาลีเพื่นวาจังไหนอยู่รืมั้งนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเพกัน ธรรมะนาไม่คือการสร้างท่ามมาถึงพันวาเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้สีหูจักคิดถือเัอดีบาบุญคุ้นเถิดแเพะการสะรับร่างสร้างหากการหาการสะรับรังสร้างโดหจักอันใดเป็นบุญเป็นกุ้ลเป็นโทษอันใดเตั่อันใดดีอันใดคิดอันใดถูกเราเดี๋ยวยินมดีฟังอัดท่ามสิผู้หลูกผู้ฉลาดเพื่อนน่เพิ่นสอนธรรมดาเป็นบุญเป็นกุศล ทั <Manh> <asthma> ้งนี้คือกันเปนว่ายนเกิดขึ้นจากยังเอานี่แ่ะเดี๋ยวก็คิดทฤษฎกรรมท่านคิดท่านใจทั้งตัวเห็นตรงนี่เป็นว่าเดินในเดินิติยาวัฏฏิสิทธ์มันไม่เเกิดขึ้นไดยังยังเดียวท่านคิดยังกับเฮ้าละอย่ให้ท่านรักษาสิ้นภาวนา ว่าเพว่าเสียเล้ยเสี่นนอุทิศบุญให้แกคนอื่นบังฟูอื่นถ้ำให้เฮ้าเอ็นจนคนถ้ำห้องถ้หรห้องก็ไดอันนี้สงศ์จากตางาก้ของเฮ้าคือต้นสะเฮ้าปลูกเขาปลูกหนาปลูกพืชปลูกพักน่ะหปลูกไห้องก็ไดใส่เลยซอยได้ยาวเลยกินแต่ห้องวปลูกว่วส่งอยากมันก็อะไรเหลอวันี้เราไปสูบไปหาคนทำห้องวิเศษรห้องกรออยา ถึงเวลาน่ะ um, ่องฟหมอ่ไอ้ที่บุญนี่อนไกินน้อหะก็หงมาหามาไหวหมอมันจะไปหาอี้ยงเส็น่ยค้องห่วคองหายมันจะบุญนี่อะไรก็หามาไหวแต่เขาหามาไหวอยากอะไรกเอามาส่งมาแจ้งนะกินอะไรกินได้เพราะเขาไม่เยอะแล้วนี่เขาบังหาไหวในชาติที่เป็นมนุษย์ตายไปเกิดทุกอยากล้ำแบบอาหาถาแก้ไขว่าได้เพราะเป็นผล เป็นกาไลของผู้หยตายไปเกิดจรินุ่นแห่งขึ้นเป็นนะจะ้อชั้อย่จริงงบกรรมอันจงคอยสเชื่อไปหยุดอันใดไมาชัวร์ไม่ได้เป็นยังแห่งรัก้าไว้้สิยิ่ยื้อด้สิพ่อใจแม่ตามท่านสวดท่านเชื้อปวดเสีวดเชียเราอเราว่างรักษา น <akes bass jump> er, ี่คือการเตือนตัวควบตัวถ่าทำคนง่วงคว่ำดีเพราะปีเดือนวันขึ้นมันพานไปที่ยึดข้าวเขากันหน่อยไปหน่อยไปเข้ามันคือกันกระดานไายมันใหญ่ติตายใส่ติดตกถนนมาดูกลับเป็นเล็กเป็นเล็กเป็นนุ่งเป็นสายยิงได้นี่แต่จะใส่ขนาดเล็กคือเดือนข้างหน้าดีแสงพอเรื่อยคนที่ซุดกระดับงดเรื่อง เว่าค <simplesmente S 2> hmm. ุณเม่เขาเรียนเรียนคืนไหมนี่หองิดึ้นนีขึ้นทิเกาทางเกาสุดคือเรียนเเรียนหนูันิดคนทิไทางไรวุ่นอาจไเกิดซิงเหเป็นชีเป็นจับเป็นอันนี้อันนี้ใช่ไลั่นบากร่าห้ามอกกันจิตใจทังหาไหวส่งเครื่องา้อดีเรียนถึงง่ายตา ชาติมนุษย์องเช่นว่าชาติประเสริฐยิ่มนุษย์สัมภิทาโวเป็นผู้ประเสิดเป็นนาฏอันเลิศการเกิดมาเป็นมนุษย์เราคอเเป็นมนุษย์ใตัวดาสุริธาข้าอาณาชาอรหันทั้งหลายในว่าเป็นมนุษย์เกิดที่กระดุมที่ใมว่าเกิดเป็นมนุษย์ท่านั้นไม่แต่แยงอื่น คุณถือมาเป็นมนุษย์ควรจะมาเป็นคุณคือดีมีคุณค่ายิ่งกว่าสัตว์่อสารยิ่งกว่าเปียนยิ่งกว่าอรลกายิ่งกว่าเกิจต้อารมณ์เมื่อยเาบนสนใจทั้งเฮาละเสือทงเพ่มดีเกิดหน้าก่อนมีใจกินใจขี่นั่กิดวะนี่สารประโยชน์อันใดทะานเดินจิตดีใจทั้งเจ้าของ น้าเทวนยังที่เจ้าน้าดาวันมือแล้วสีสันเพื่อน้านดีอันไดแสงเอาไว้ขันตสงเอาไว้เงี้ยบัห่เห็นที่คนนู้นยังมีอยู่ธรมาเป็นขงเลิศขอีหยุสังมาจากในสี่างสี่เป็นเม่าใหเป็นข้างน้างคนที่นี่อายุขาดเท่า ตายไปหลังนับ่ได네้ตายในถองในใส่ต่นี้เกิดหน้าบ่ท่านหนึ่งวันตายไปตตวนี้ยังบ่ทนซ้นเดินพวกทีตายไปแตนับบ่ถ้วนห้าปีหน้าแต่นับบ่ได้ชื่อวังคว่ไข่ควเนาคว่ำเจ็บความเนจีบสี่หลอดสนบ่ได้หอบเงนเป็นคหนักคลำบากเคยทานอุปรสัตวมานับบ่ได้ชื่ีเทายื่อยู่ได้ทัานตายไปทีจังหวัดจิตตังจานในชื่อตัง เป็นของที่มีคุ้มค่าเป็นของหาเลย้ยาะมันเป็นของไงผู้จิตตายโดเหมือนเขาจะตายดอกอย่างถึงข้าวถึงสมัยถึงเวลาเงี้กระซายใส่เฮ้ยคุณไม่หันตายอย่าเ ข, า ว, ขว่าเขว่าจังถึงเพาว่าหน้าให้หท่านเข้าก็าท่านไ ด, ด้ผิ้ที่เขตายตายที่ท่านบ่ได้ดิพระบรมนิจสิท่าให้ว่าแค่นั้น ข้วไพากันคีแจงหน้ารับเตื่นนตาคืนหน้าตีสามข้นง้างความดีอา่อยกระดับกายประดับใจประดับนั่นกระดับเรือนประดับดีไหนนี้ก็ความดีทวี่ขึ้นึืนยับนึ่งหนันิดหน่อยๆยับโบยยับวาถอจะร้ายตัเองงื่อนขีพ่อบาดเงื่อนขีตาตาเงื่อนขีกอว่าะไป่อนเจ้าบาเงื่นขีกอท่านเท่านีก็ชื่อกัน นือ่ประมาย่างนั่นใหย่างท่อมท่อมดีหน่อนิ้หนึ่หน่อยเม่ยุดเ่ถอยจะร้ายขึ้นที่กันก็เผื่อกระพวกมันสั่งพ่นสั่งห้างเทันมันควไปเจ็บเอามันหั่นเจ็บเอาวันหนึ่งม่อยุดเ่อถอยห้าันก็ใหญ่ขึ้นตรงส่วนมันจสูงขึ้นมันมี้นี้นี่ร่แท็กเตอร์ดอกนี่ขาดหน้าจ็มือเบ้าเทามันใหญ่ขึ้นนี่คือถือว่าประมาทฟัง คนงานค่องดีหรการเหตุท่านรักษาชุลจะได้เหตุตาพางหน้ากับท่าน่งเดียวกันนั่นก็นถ้าวี่ง้นคึนหนักขึ้นหลายขึ้นหนักมันเยอะมันอยากเพ่อล็กเพื่อไม่เล้งปหน่อแยงหายแต่น้นองเขาโตใหญ่มันก็เป็นแต่มันขึ้ น, นออกยืดในหน่อยหนมันแตกมันรั่วถ้ายายวายนันก็บกต่างแข่งกันอันนี้นท่างไลออก นี่ยคว่ำเสียวค่มันไหลออกคว่ำดีมันไหลเข่าว่เสียวคว่ำห้องสี่เกยสี่เคยสูงเกยเหยียดเคยํามน่ะใส่ย่งครับไมันออกไปใส้ย่งถอดท้งกายใจจากคว่ำเสีวคว่ำดีที่เขาโบเคยสะสมมาจะกอาจะกหรือสะสมมาแล้วใส่ย่างมาตาเอาไว้เข่คว่ดีอยาไหลเข่าทายเส้นเสีวออกไปเหยียดคว่ำดีเอาไว้เอาขึนี่คว่ดี ในกายในใจทั้งเ่าเกิดบนไดศาบตร์ไว้ในสุขกับสบายเพระมีความดีจะเกิดเป็นมนุษยเกิดเกิดในกองคงานกอท้องบวตัวอยากบวอยากบวชจนจะจีบปัญญาจะเป็นค้นถีงนี้จะีบปัญญาเสียแ้งก้มกล้าอยู่่ร่างกายแตมีกำลังว่างซ่างจิตประกอบกางงานอนไดก็ข่องแควท่าได้อยู่เสรัด เอาความ่งทองแต่นี่านักแน่ต้อง่เนี่ในสยรั้วยาใหญ่เติี่วคมีความดีเป็นสุขสีของมนุษย์ศักดิ์สมเอาไว้ความดีที่เาศักมเาไว้มันมีทั้งรา้วไหลไม่ทั้งเสียหายเป็นไงหาความดีเอาไว้ละความชั่วออกไปจะได้ซ้อนใส่ทั้งตัวย่างน่มันเจ็บ <Allison> แลกงท่นหม่อยไหมก้งควดีก้นนันจด็กีนี้ควันดีเทาเยียด้นขึ้นหรื่อดอยากอยากจนไม่ควนดีเกิดพบได้ชาติได้แต่ทีนี้ต้องทุกกายทุกใจเพราะฉะนั้นวันย่ไรสืบพนไปไม่พันากิดนมุยแล้วควดีควันเฮานี่อันใดแน่คือใบหน้าทางหนาข้งนอว่าท่านเรมท่านตา้างีางควีอันใดให้จิตเอาไว้ลงมือทำนั่นคือใด ผลจากธนาของเฮาโดวยอย่างน่นมันเกิดมีคุนข่าสะละอันใดมีแต่เซลล์กลุลังกางตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันเป็นเศษเป็นทีมันโดดีบดง่ า, งามันเป็นมนุษย์ไหยมันจะยังสันเป็นมนุษย์สัตว์เป็นฉันเป็นมนุษย์สัเจโตไปเสียาสาระวังรักษาไงปลูกเขาทัางนั่นแหละมนุษย์ทั้งฟีก็ดียังมมนุษย์มีมจาจากบงอืน่น หยุดีห้องเวลามันจิตซัวกายตรงห้องเวลามันทําซัวมันจะเป็นฟัดเป็นเศษไปกระได้เขาทําดีเป็นมนุษย์มันจะเป็นได้เป็นเทวดามันจะเป็นได้มีในตัวถือว่าข้นมันค้นกันไม่เหนียบยื้อยื่อหนึ่งช่วงไปยื้อหนึ่เลือกขัดจัดหาเอาที่แย่งหน้าเอานีสตศรีนี่เป็นญ่าเดี๋ยขัดจัดหาซินที่ดีออกไหว จริงๆช่วยกินนี้ไปชื่อการก็ให้ต้มให้แกงไปสอนกลุ่มคนเหนียว่ถึงในหน้ามันมันสิถึงจะกลุ่มจช่หอบเท่อนห่ได้มันกินไม่กินนะมันก็ถูยิ้มคุ้มข้ามากพวกไม่ทำงานมันก็คิดมากเพรันติใจขึ้นเยออันนี้เป็นโมดีเยอะกินไปอันนี้มันดีหรือเลือกเอาไว้มาต้มมาแกงกิน ความคิดความอ้างความเห็นความทำความเห่าคู่กันเห็นจิตใจมันคิดไปซื่อไปย่ำหากห่ามมันไวจะหายมันไปท่าไปพูดในสิ่งนั้นนี่คือการกำจัดสิ่งสี้นซื่อบ่เห็นเรื่องไรมอาเท็งใจความซื่อส่งนี้อยู่แล้วกจัดตะเอาออกไปความดี่งนีให้มนิ้สาสนนนิ้ขน ควมดีที่ไม่มีแล้วร้าหายไปอย่ติดโดยพยายาแต่ทําเป็นั่งความดียังเท่าั้นที่จะเชื่อมนุษย์โศกมนุษย์เสพเวเป็นมนุษย์ผิดต้องเสดเป็นมนุษย์ผิดอาปาธนาเท่นั้นห้าุพคนนนาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสร้างนนัไปที่นี่ทเจหน้าอย่าครับจะหาความดีเอาไว้ต้องเชื่ชไป เยื่อละเลอะรถนี้ให้่ีดีประจำตัวนีชดีประจำตนนเาต่บาเวลานลงนล